กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่28เรื่องดูเหตุหรือดูผลวันหนึ่งนาที่เฝ้าอันเป็นที่ว่าราชจิตในท้องพระโรง มหาอัมมาตรราชปุโรหิตทั้งหลายประชุมกันอยู่พร้อมหน้าพระเจ้าสุรเสนมีพระาดำรัสว่าผู้เจริญทั้งหลายพระมหานครนี้เคยมีอดีตประวัติอันรุ่งโรจน์ซึ่งกษัตริย์รักคู่วงศงปกครองสืบต่อกันมาช้านานชนทั้งหลายย่อมรู้จักนามแห่งอโยธยาในฐานะที่มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูและเป็นนคร แห่งรามจันผู้ประเสริฐในภายหลังอโยธยาได้เสื่อมความเจริญลงจนเกือบจะกลายเป็นเมืองร้างบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ชื่อข้าพเจ้าทำนกบำรุงให้รุ่งเรืองขึ้นอีกวาระหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ามอบหมายงานแจบผู้ใดผู้นั้นเพราะอุตสาหะปฏิบัติได้ผลดีเป็นส่วนมากในวันนี้ข้าพเจ้าใคร่จะได้สดับเรื่องราวที่แต่ละท่าน ได้รับไปกระทาว่ามีผลเป็นอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรและบางอย่างได้ผลดีในทางหนึ่งแต่ก็ได้ทำให้เกิดผลเสียอีกทางหนึ่งอย่างไรบ้างครั้นแล้วกระทาอำมาตผู้ควบคุมคณะบุคคลผู้ออกช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากซึ่งก็ได้คำตอบในทางที่น่าอนุโมทนาว่างานนี้มีผู้สมัครมาช่วยทำเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบางคนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็บริจาคทรัพย์มอบให้หมาก็มีบางคนก็สนใจตั้งคณะของตนเองขึ้นช่วยเหลือเป็นเอกเทศต่อจากนั้นตรัสถามอำมาตย์ผู้มีหน้าที่ส่งคนไปในที่ต่างๆเพื่อให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองกับชาวบ้าน มิใช่ไปในลักษณะผู้เป็นนายการแนะนำโดยให้ผู้ฟังเห็นดีเห็นชอบและปฏิบัติด้วยตนเองตามความสมัครใจนั้นได้ผลเป็นประการไรอามารกราบทุนว่าเทวะงานของข้าพระองค์ไม่เหมือนกับงานของผู้อื่นยากที่จะดูออกว่าเท่าที่ส่งคนไปแนะนำหรือให้ข้อคิดนั้นจะปรากฏผลเป็นชั้นใดข้าพระพุทธเจ้าท่งคนยกย้ายกันไป นับด้วยจำนวนร้อยท้องถิ่นมีผู้ได้รับคำแนะนำหลายสิบนหุดทั้งนี้โดยนำคณะนักฟ้อนและนักดิดพินเป็นต้นร่วมไปด้วยเพื่อจูงใจคนให้มาดูมาฟังแล้วจึงให้ผู้แนะนำพูดสลับขั้นเป็นคราวๆไปข้อที่จะพึนกราบทุนก็คือมีคนฟังมากและไปได้หลายแห่งดังกล่าวแล้วอามาดผู้เจริญท่านไดส่งคนไปสารวจในภายหลังหรือเปล่า ว, ว่า เมื่อคนแนะนำและคณะนักฟ้อนผ่านไปแล้วคนผู้ฟังเหล่านั้นทำดีขึ้นอย่างไรบ้างเทวะความดีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวัตถุเช่นพืช พ, พันธุญผลจึงไม่สามารถชี้เห็นได้อาจจะต้องกินเวลานานและต้องอดทนซ้ำๆพระเจ้าค่าอัมมาดผู้เจริญคราบ เ, เจ้าใค่อขอร้องให้ท่านสำรวจผลเพราะแม้จะหาผลเป็นพืชพันธรรยอาหารไม่ได้ก็อาจสารวจอย่างอื่นได้อยู่ ข้อสำคัญข้ออย่าได้นึกเสียแต่เบื้องแรกว่าไม่มีทางทำได้ถ้าหาช่องทางแล้วก็อาจทำจนสำเร็จอมานผู้เจริญเพียงแต่นำคณะบุคคลผ่านไปมาแล้วให้คําแนะนำเป็นครั้งคราวนั้นอาจได้ผลน้อยอาจจะต้องส่งคณะบุคคลผู้ชำนาญแต่ละอย่างไปอยู่ประจาในถนิ่นนั้นๆเป็นเวลานานเพื่อให้มหาชนในที่นั้นได้ฝึกหัดทาการต่างๆตามที่ผู้ชนานาญและฝึกสอนเช่น การจักสารการทอผ้าการเพาะปลูกหรือการอื่นๆ อ, อันหนึ่งแม้ที่ท่านส่งคณะบุคคลไปในหลายแห่งเพียงผ่านผ่านไปมีการแนะนําให้เขาสร้างวัตจะกูดีขึ้นไว้ใช้ประจําบ้านก็อาจสํารวจได้ว่าผลของการแนะนํานั้นมีประการไรด้วยการส่งคนไปสํารวจดูอันหนึ่งการอบรมในทางศีลธรรมเป็นต้นก็อาจสํารวจได้จากความสงบเรียบร้อยในถิ่นประเทศนั้นๆ รพระพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านเพิ่มคณะบุคคลผู้สำรวจผลอีกส่วนหนึ่งเพื่อทราบด้วยว่าคำแนะนำนั้นๆมีผลเป็นอย่างไรอํมมาดผู้เจริญมีบุคคลประเภทหนึ่งมีความคิดเห็นว่าอะไรดีหรือไม่ดีนั้นไม่ต้องดูอื่นไกล ให้ดูที่ผลต่างๆอันปรากฏนั่นเองเช่นว่าพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาจะดีเลวหรื อ, อยังประโยชน์ให้สำเร็จได้หรือไม่ไม่ต้องดูที่ตัวคำสอนหากให้ดูความเป็นอยู่ของประชาชนผู้นับถือศาสนาว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรดีขึ้นหรือเลวลงดีบ้างชั่วบ้างโดยที่พระศาสนาเกือบจะไม่มีความหมายอะไรคนชั่วก็ยังมีอยู่เต็มโลก ทั้งๆที่มีคําสอนให้ตั้งอยู่ในความดีความานคิดเห็นของบุคคลเหล่านี้กล่าวโดยเจ้าจงก็คือจะขอดูแต่ผลเท่านั้นแล้วจะตัดสินใจได้เองว่าเหตุนั้นๆดีหรือไม่ดีเพียงไรอัมมาดผู้เจริญความคิดเห็นอย่างนี้ยังไม่นับว่าถูกต้องเพราะการสั่งสอนแนะนํานั้นอาจมีอะไรบกพร่องอยู่บ้างก็ได้กล่าวคือคนยังไม่เข้าใจถูกท้วนในหลักธรรมอันดีเพียงพอ ยังติดยังหลงอยู่ในความคิดเห็นไม่เปลี่ยนแปลงนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งได้ฟังคำแนะนำแล้วเห็นดีเห็นชอบด้วยแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามซึ่งอาจเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติจำต้องฝืนอัตยาศัยเดิมอาจต้องยกจิตใจให้สูงขึ้นซึ่งเป็นการยากกว่าการปล่อยไปในทางต่าจึงเลยไม่ปฏิบัติดีขึ้นทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่วเช่น มียาขนาดหนึ่งประเสริฐพิเศษสามารถรักษาโรคได้เป็นอย่างดีเพียงแต่การอ่านชื่อยาหรือบอกตัวยาแจมอาหาชนแต่ผู้ฟังที่เป็นโรคอย่างไม่ได้ใช้ยานั้นหรือได้ยาแล้วแต่เก็บไว้เสียไม่ใช้ดังนี้จะโทษว่ายาไรประโยชน์หาได้ไม่เพราะเหตุนี้แลแม้คําสอนคําแนะนำจะดีจะประเสริฐแต่การที่คนไม่ปฏิบัติตามเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง จะโวนชี้ลงไปว่าคำสอนนั้นใช้ไม่ได้ก็ชื่อว่ายัางไม่ถูกนักควรจะได้พิจารณาให้รอบคอบว่าได้แนะนำโดยแยบคายดีแล้วหรือหรื อ, อยังมีข้อบกพร่องในการแนะนำอย่างไรบ้างอันหนึ่งเมื่อแนะนำแล้วผู้ฟังไม่ประพฤติปฏิบัติจะควรแก้ไขยอย่างไรจะโทษข้อแนะนำทีเดียวก็ยังไม่สมควรงานของท่านยังเป็นงานที่จาเป็นและสาคัญ แม้จะมองไม่เห็นชัดเจนเหมือนพืชพันธุ์ธัญพัดังกล่าวแล้วไม่เช่นนั้นมารดาบิดาที่แนะนำบุตริดาให้รู้จักภาษาคนได้ให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทเป็นต้นซึ่งต้องใช้เวลาเป็นแรมปีก็คงไม่มีใครทำเพราะเหตุเพียงเห็นผลช้าถึงอย่างไรในที่สุดก็คงเห็นผลบ้างถ้าไม่ทอดทิ้งงานานั้นเสีย รันแล้วตรัสถามอำมาตย์ผู้ควบคุมการก่อสร้างเคียรสถานช่วยเหลือมหาชนและควบคุมระเบียบในการก่อสร้างว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เสียความงดงามของพระมหานครซึ่งก็ได้รับคำกราบทูลว่าได้ก่อสร้างสำเร็จไปแล้วเป็นจำนวนมากแม้จะไม่พอกับจำนวนคนที่อพยพเข้ามาจากนอกเมืองและคนในเมืองที่ยังไม่มีเคียสถานแต่ก็เชื่อว่าจะขยายงานได้ ภายในเวลาไม่ช้าจนพอจะความต้องการในที่สุดอันหนึ่งได้ตรัสถามอำมาตย์ผู้มีหน้าที่ควบคุมการทำความสะอาดถน น, นหนทางและตกแต่งพระมานครเช่นปลูกต้นไม้ไม้ดอกปลูกหญ้าและทำริมบริเวณครูครองและลําทานให้สะอาดมีทางเดินทั้งสองฟากมีสะพานข้ามที่จำเป็นอำมาตย์ผู้นั้นก็ได้กราบทูลว่าได้ตกแต่งบริเวณต่างๆเพิ่มขึ้น ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็จะได้จัดทำให้สำเร็จภายในเวลากำหนดต่อจากนั้นอํามาตผู้มิหน้าที่ช่วยเหลือการพานิชการเกษตรการป้องกัน ร, รักษาพระนครทั้งภายนอกและภายในการจัดการคัดเลือกผู้มีศิลปะวิทยาและส่งเสริมให้เจริญด้วยการศึกษาเป็นต้นก็ได้กราบทูลผลงานตาม พระเจ้าสุรเสนาตรัสในที่สุดว่าผู้เจริญทั้งหลายดูเหตุอย่างเดียวก็ยังไม่พอดูผลอย่างเดียวก็ยังไม่พอแต่จะต้องดูทั้งเหตุทั้งผลจึงจะสามารถทราบได้ว่าการงานที่กระทำไปจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นจะพึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วจึงตรัสถามข่าวคราวของแว่นแขวนอื่นๆว่าเป็นประการไรอามาดผู้มีหน้าที่สืบสวนเรื่องราวรายงานว่า สีหะเสนา บ, บดีคุนพลแห่งแควนวัชีสิ้นชีวิตแล้วขณะนี้วัชีทั้งแควนอันมีภัยาลีเป็นรัชธานีนั้นได้ถูกพระเจ้าชาติัตรูยึดครองแล้วโดยการสมวัชการราพราหมณ์ไปดำเนินอุบายยุยงให้เจ้าดิชวิแตกสามขีกันทำลายธรรมะของชาววัชีที่มีอยู่ขาดความร่วมใจกันข่าวนี้ได้ยังความตรืนตรนกให้เกิดแก่แขวนโกศลภาคเหนือเป็นอันมาก เพราะเกรงว่าพระเจ้าชาติศัตรูจะไม่หยุดอยู่เพียงวัดชีเท่านั้นถ้ายกทัพไปถึงโกศลด้วยก็จะเกิดมหาสงครามอย่างไม่มีทางเลี่ยงอันหนึ่งมีข่าวเล่าว่าแขวนโกศลได้มีการยึดอำนาจจากพระเจ้าประสิทธิ์ที่แล้วโดยทีฆะรายนะอามาตย์ผู้เป็นหลานของพันธุลสนาบดีมีความแค้นเคืองเป็นส่วนตัวได้ดาเนินการให้วิถุทพระราชบุตร ขึ้นครองราชสืบทนพระเจ้าประเสริฐที่โกศสนต่อไปขณะนี้กำลังเตรียมทำสงครามกับเจ้าสากยะแห่งกรุงกบิลพัทเพราะความอาฆาตที่เคยดูหมิ่นว่าวิทูธพะเป็นบุตรของนางวาสพะคาติยาซึ่งไม่ใช่กษัตริย์แท้หากเป็นผู้เกิดจากทาสีของมหานามาสากยะทั้งอยากให้เอาน้ำนมสดล้างที่นั่งของวิทูธพะระหว่างที่ไปเยี่ยมกรุงกบิลพั์และลากลับแล้วด้วย ข่าวทั่วไปมิแต่ข่าวสงครามการชิงตีรบพุ่งเพื่อแย่งอำนาจบ้างแย่งอาณาเขตบ้างแก้แค้นบ้างพระเจ้าสุรเสนสทรงนิ่งสดับฟังด้วยความสนพระไทยแล้วเสด็จขึ้นอำมาตย์ทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับขีหาสถานแห่งตน